เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่ห้าวันที่สิบเปลี่ยนาศาสนาเสานี้คนในบ้านชั้นวานิธรรมธุระบางอย่างฉันจึงไม่ได้ออกต่างจังหวัดดังเคยแต่กลับถึงบ้านก็เข้าห้องปิดประตูนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขทานข้าวเย็นกับสมาชิก ค, ครอบครัวราวทุ่มเศร็จคุยเฮฮากับพวกเขาเป็นปกติภาคใหญ่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 นคนกำลังจะจมน้ารมร่เมื่อขอนไม้ลอยมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนในขอนไม้จะมีหมามุ่ยหรืองูพิษอยู่หรือเปล่าก็ช่างเถอะฉันฟังแล้วเครียดเกินกว่าจะตั้งสติทันเพราะน้ําเสียงเธอเจอแวลเศร้าหน้าสงสารได้แต่ด่าตัวเองว่าไม่ควรเลยหากคืนที่เธอโทรมาชวนทานข้าวฉันเพียงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลด้วยเหตุผลดีดๆก็คงไม่มีเรื่องน่าอึดอัดกัน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 เพราะรู้ว่าเจตนาของเธอคือว่ากระทบไปถึงพระพุทธเจ้าเกือบจะขอเลิกสายเดียวนั้นแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการวางสายนั้นง่ายมากแต่การวางความยึดมั่นถือมั่นนั้นยากแม้จะหยุดคุยกับเธอแล้วก็ตามสูแก่ปมที่ขอดยุ่งให้คลายออกเดี๋ยวนี้ดีกว่าอีกอย่างหากคุยเสียให้จบเพื่อความลงเอยที่ดีต่อเธอได้ก็น่าทํา